ทำให้ความตายก็กลายเป็นเรื่องที่ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นในสายตาของคนทั่วไปคือลําพังเนี่ยพอรู้ว่าตั้งตายอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันก็ทําความวุ่นวายให้คนมันจํำนวนไม่น้อยแต่ถ้ารู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ยังพอจะทําใจได้หรือพอที่จะเตรียมตัวล่วงหน้าได้การวางแผนชีวิตนะก็ดูจะง่ายขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เราคุ้นกับการวางแผนกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นการวางแผนชีวิตว่าจบแล้วจะเรียนที่ไหนจบแล้วจะไปทํางานอาชีพอะไรจะมีรถมีบ้านเมื่ออายุเท่าไหร่นาจะมีครอบครัวมเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่แล้วก็จะ Early จะลีทายหรือ e a r l y ลีลีทาเมื่อไหร่ นี่คือแบบแผนของชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีการวางแผนกันเรียบร้อยนะจนกระทั่งอาจจะกําหนดได้เป็นสิบสิปีแต่ไม่เคยมีใครที่จะสามารถกําหนดได้ว่าตัวเองจะอยู่จนอายุเท่าไหร่ถึงจะตายไม่มีมีแต่จะบอกว่าจะทํางานถึงเมื่อไหร่ถึงจ ะ, กะเกษียณแต่ว่าไม่มีใครที่จะ บอกได้เลยว่าจะตายเมื่อไหร่ตรงนี้มันยิงทำให้การดาเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะเป็นไปด้วยความไม่แน่นอนแต่มันไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกในการจัดการชีวิตนา น, นแต่ว่ามันยังมากไปกว่านั้นนะก็คือว่าทำให้เกิดความหวาดกลัวต่อความตายเพราะถ้าความตายมาถึงมันก็หมายความว่า แผนการทั้งหลายทั้งปวงที่วางไว้พังทลายอย่างสิ้นเชิงความไม่น่ายนอนของความตายก็เลยทําให้ความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะนึกถึงเพราะนึกถึงแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่รู้จะวางแผนชีวิตไปทําไมเพราะฉะนั้นก็ปรากฏว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็เลยมีชีวิตอยู่อย่างลืมตาย ลืตายคือว่าไม่สนใจเรื่องความตายไม่อยากจะคิดไม่อยากจะพูดไม่อยากจะได้ยินแม้กระทั่งคาว่าความตายเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากจะพูดกันนะต้องเลี่ยงไปใช้คำอื่นจากไปบ้างสิ้นลมบ้างนะหรือว่าถ้าตรงหน่อยก็คือเสียชีวิตการที่พูดถึงคำว่าความตายคำๆนี้กลายเป็นคำอูดจาดขึ้นมาคือฟังแล้วแสลงหู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 ก็พบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ประชวญความตายด้วยความทุรนทุรายด้วยความกระสับกระส่ายแล้วก็จำนวนมากก็ตายแบบเรียกว่าหลงตายหลงตายคือตายยังไม่มีสติคาว่าหลงตายนี่เป็นคำโบราณเมื่อมีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอย่อยางลืมตายนะเมื่อตายก็ตายแบบหลงตายนี่ไม่พ้นเลยนะถ้าอยู่อย่างลืมตายเมื่อไหร่ก็ต้องหลงตายเมื่อนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่มีปัญญาก็ต้งองตรหนักว่าความตายเป็นสิ่งที่เราต้องทําความรู้จักกับมันมีผู้หนึ่งเขาพูดว่าอย่างน่าสนใจว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทาความเข้าใจไม่มีอะไรที่ต้องน่ากลัวเลยมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วความ น่ากลัวก็หายไปความเข้าใจทําให้ความกลัวมันบรรเทาเบ า, บาบางลงไปความเข้าใจนั้นเปรียบเสมือนกับแสงสว่างที่ทําให้ความมืดหรือความลี้ลับนั้นหายไปเมื่อความสว่างเข้ามาแทนที่ความน่ากลัวก็ไม่ปรากฏที่จะมาคุกคามเราได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้คนจำนวน ไม่น้อยนะที่เวลานึกถึงความตายแล้วก็อดสยดสยองหดผูไม่ได้คงไม่มีวิธีใดที่จะดีกว่าการพยายามทําความเข้าใจกับความตายเพราะเมื่อเราทําความเข้าใจความตายแล้วความตายก็จะลดความน่ากลัวลงไปและถึงตอนนั้นก็จะพบว่าจริงๆแล้วความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายคนเราตายก็ตายครั้งเดียว แต่ถ้าเรากลัวตายเมื่อไหร่ในความกลัวตายก็จะคุกคามเราวันแล้ววันเล่าอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าเดือนแล้วเดือนเล่าหรือว่าปีแล้วปีเล่าคุกคามทีไรก็เหมือนกับว่าใกล้จะตายทุกทีมนนีคนหนึ่งเขาก็เลยพูดไว้หน้าฟังอีกเหมือนกันว่าคนกล้านั้นตายครั้งเดียวแต่คนขลาดนั้นตายหลายครั้งเราทุกคนตายครั้งเดียว แต่ถ้าเรามีความกลัวเข้ามาครอบงําจิตเราจะตายหลายครั้งเพราะว่านึกถึงความตายทีไรก็สยองทุกทีหรือว่าเมื่อคนที่เรารักจะเป็นพ่อแม่ผู้ครองลูกหลานมิตรสหายเขาตายจากไปหัวใจเราก็เหมือนกับว่าจะแหลกสลายแต่เราไม่ได้หัวใจแหลกสลายแค่ครั้งเดียวจะต้องแหลกสลายอีกหลายครั้งเพราะว่าคนที่เรารักคนที่เราผูกพันนั้นมีมากมาย ซึ่งเราอาจจะโชคไม่ดีที่ต้องประสบกับความพัดพลาของคนเหล่า น, น, นั้นถ้าเราไปก่อนก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปเจอความสูญเสียพัดพลาดของคนจำนวนมากแต่ถ้าเราไปทีหลังเราก็ต้องเจอกับความพัดพราดสูญเสียของคนแล้วคนเล่าแต่ถ้าเราไม่เข้าใจความตายเรากลัวความตายเราก็จะทุกซ้าแล้วซ้าเล่า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 บนตึกโรงพยาบาลเราไม่รู้จะไม่ดีกว่าหรือถ้าหากเราพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความตายในทุกที่ในเมื่อเราไม่รู้ความตายคอยเราอยู่นาที่ใดจะดีกว่าถ้าเราพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญความตายในทุกที่และทุกที่ก็จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวต่อไปทีนี้เราจะทำความเข้าใจความตายไว้อย่างไรอันนี้พุทธศาสนาก็ให้แนวทางไว้ ได้เป็นอย่างดีก็คือว่าเราต้องมองว่าความตายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเวลาเราทำวัดสวดมนต์นะก็จะมีบทสวดมนต์ที่เตือนเราถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงความตายเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเราพิจารณาอภินันทปจะเวกเนี่ยหประการก็จะชัดเลยว่าเรามีความแก่ เป็นธรรมดาไม่สามารถจะหลีกพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความตายไปได้อันนี้คือการพิจารณาให้เห็นเป็นธรรมดาแต่ว่าเท่านั้นอาจจะยังไม่พอเราต้องพิจารณาตอ่อไปว่าความตายนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตเฉยๆแต่ว่ามันเป็นโอกาสด้วยความตายไม่ใช่วิกฤต มันอาจจะเป็นวิกฤตทางกายเพราะว่าความตายนั้นนี่มหมายถึงการแตกดับรวมตั้งแต่แตกดับของธาตุดินน้ำลมไฟแต่ว่าถ้าเรามองความตายหรือมองชีวิตแต่ในแง่กายภาพเราก็จะเห็นว่าความตายมันน่ากลัวสถานเดียวแต่ถ้าเราขยายทัศนะของเราให้กว้างว่าชีวิตนั้นมีทั้งกายและใจด้วยเมื่อเราเข้าใจ ตนักถึงมิติด้านจิตใจหรือมิติด้านจิตวิญญาณเราก็จะเห็นต่อไปว่าความตายเป็นวิกฤตทางกายก็จริงแต่สามารถเป็นโอกาสทางจิตวิญญาณได้มีคนจำนวนไม่น้อยนะที่ชีวิตเขาอยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตความตายเข้ามาใกล้หรือเกินแต่เขาก็สามารถที่จะพบกับความสุขความสงบได้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 เมื่อความตายมาถึงในที่สุดก็มีคนจำนวนมากที่สามารถที่จะประคองใจให้อยู่ในความสงบรู้ตัวด้วยนั่นไม่ใช่โคม่าหมดสติรู้ตัวและรู้ตัวอย่างสงบแม้ว่าทุกขเวทนาจะแรงกล้าแต่ว่าใจนี่ไม่ทุกขทรมานทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เราหลีกหนีได้ยากหลีกหนีไม่พ้นนะพระพุทธองค์เองก็ไม่สามารถจะหลีกหนีทุกขเวทนาได้ โดยเพราะเมื่อพระองค์กล้จะปรินิพานแต่ว่าทุกขเวทนานั้นเราสามารถที่จะหลีกพ้นได้ความทุกขทรมานเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้เพราะทุกขเวทนานเป็นเรื่องกายก็ยจริงแต่ว่าทุกทรมานเป็นเรื่องของใจและเรื่องของใจนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถฝึกเอาไว้ดีก็ไม่ปรุงแต่งทุกขเวทนานให้กลายเป็นทุกขทรมานได้ หลายคนเขาก็สามารถที่จะจากไปอย่างสงบซึ่งแม่แต่หมอเองก็แปลกใจด้วยซ้ำว่าโรคแบบนี้อาการแบบนี้ไม่น่าจะจากไปอย่างสงบได้แต่เท่าที่อาตมาได้พกได้สัมผัสแล้วก็ได้รับรู้มาก็มีหลายคนนะที่เขาสามารถจะทำในสิ่งที่หมอเนี่ยคาดไม่ถึงเพราะว่าเขาสามารถที่จะ วางใจเอาไว้ได้อย่างถูกต้องวางใจในที่หมายถึงการฝึกด้วยไม่ใช่แค่มองเฉยๆแล้วก็ถ้าเราศึกษาทางพุทธประวัติก็จะพบว่าหลายท่านไม่ว่าจะเป็นพระก็ดีภิกษุภิกษุณีก็ดีหรือว่าคฤือขัดก็ดีหลายท่านก็บรรลุธรรมได้ในช่วงที่กําลังเจ็บปวด นะอย่างเช่นพระติสาซึ่งมีทุกขเวทนาจากความเจ็บป่วยแผลผุพองเต็มไปหมดต้องนอนโดยไม่มีใครรักษาพยาบาลเพราะว่าเป็นที่หน้ารังเกียจนะเจะริญปัสสาวะหรือน้องนี่ก็ไหลเลอะแต่เมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จมาพยาบาลมาช่วยดูแลเช็ดจีวรให้เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้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 บางท่านก็ตายอย่างทุกทรมานเช่พนพระนางสามมาวดีซึ่งตายอยู่ท่ามกลางกองไฟที่เผาครอกจนเสียชีวิตแต่ว่าก่อนที่จะเสียชีวิตท่านก็ได้เจริญกรรมฐานพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์ยกจิตเหนือทุกขเวทนาและเห็นถึงความไม่เที่ของสังขารจนกระทั่งบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอนาคามีก็ในช่วงที่กําลังจะสิ้นใจนั่นเองะบางท่านเนี่ย มีความท้อแท้หมดหวังกับการปฏิบัติธรรมถึงขั้นจะเปิดชีวิตตัวเองปฏิบัติบวชมา25สา่สิพรรษาไม่เคยพบความสงบใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็รู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็พยายามเชือดคอตัวเองแต่ในช่วงขณะนั้นเองช่วงที่ถูกคเวทนาแรงกล้ามันได้ทำให้ท่านได้เห็นถึงความไม่น่าเอาไม่น่าดิ้ของสังขารจิตก็หลุดพ้น จากการยึดติดในสังขารนั้นแล้วก็สาเร็จเป็นพระอรหันในช่วขณะนั้นเองว <child> ันจะเห็นได้ว่าความตายเนี่ยถ้าหากว่ามองให้เป็นที่ทางพระเรียกว่ามีโยนิโสมนสิกการก็จะเกิดปัญญาถึงขั้นที่ทาให้เกิดความหลุดพ้นได้จากความทุกข์ในท่ามกลางทุกขเวทนา ที่บีบคั้นสังขารนั่นเองตรงนี้เองที่อาตมาก็เลยเรียกว่าความตายนั้นสามารถจะเป็นโอกาสทางจิตใจหรือทางจิตวิญญาณได้ถ้าจาพุท ธ, ธาธเองก็เรียกว่านาทีสุดท้ายของชีวะเป็นนาทีทองเป็นนาทีทองเพราะว่าจะบรรลุธรรมได้ก็ในช่วงนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุนี้เนี่ยถ้าว่าเราเข้าใจความตายในแง่นี้ว่าความตายนั้นไม่ใช่เป็นแค่ธรรมดาแต่ว่ายังเป็นโอกาสที่สามารถที่จะทำให้เกิดสภาวะจิตที่สงบหรือสว่างจนถึงขั้นหลุดพ้นได้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะ ไม่เห็นว่าความตายเป็นเรื่องที่น่ากลัวต่อไปแต่ที่จริงถ้าเราเข้าใจความตายโดยเราลึกถึงความตายอยู่เสมอมันจะไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เราเนี่ยฝึกใจจนพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากความตายไปในทางที่ลุนส่งให้เกิดความเจริญ ง, งอกงามทางจิตใจถึงขั้นหลุดพ้นได้เท่านั้น แต่ว่ายัางสามารถที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างโปร่งเบาได้อย่างมีคุณค่ามีความหมายเมือ่อใดก็ตามที่เรารลถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยถ้าเราระลึกอย่างมีใจน้อมนำอย่างมีสมาธิเพียงพอเนี่ยมันจะทำให้เรา เกิดความตระหนักอยู่เลยว่าชีวิตนี้เนี่ยประมาทไม่ได้เราจะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยให้มีคุณค่ามากที่สุดที่เคยนึกว่าชีวิตหรือเวลาแต่ละนาทีเนี่ยเป็นของได้มาฟรีฟรีเป็นของที่จะใช้ยังไงก็ได้เราก็จะเริ่มเปลี่ยนมุมมองใหม่เราจะตระหนักว่าเวลาแต่ละนาทีมีคุณค่าจะปล่อยให้ทิ้งเปล่าไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ถึงตรงนี้เนี่ยการจัดลาดับความสาคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนไปที่เคยคิดว่าจะเที่ยวสนุกสนานหรือคิดแต่ว่าทำมาหาเงินให้ได้เป้าอายุ30ปีต้องได้เท่านี้อายุส0สิปีต้องได้เท่านั้นอย่างอื่นเอาไว้ก่อนเอาไว้แก่ค่อยว่ากันอทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนใจเพราะว่าเราจะได้ตระหนักว่ามันมีสิ่งมีค่า มากกว่าการทำมาหากินหรือว่าการสนุกสนานเริ่มตั้งแต่การให้ความสำคัญกับครอบครัวการให้ความสำคัญกับการฝึกฝนจิตใจการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็รู้ว่ามันสำคัญแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามักจะผัดผ่อนอยู่เสมอเพราะมันไม่มีเส้นตาย งานการมีเส้นตายและบางทีเส้นตายนี้ก็รวมไปถึงการเที่ยวเทศกาลลดราคามีกำหนดเส้นตายที่ต้องไปคืนนี้มีชายถ่ายทอดฟุตบอลถ่ายทอดสดนะถ้าไม่ดูก็มันก็ไม่สดแล้วเราใช้เวลาไปกับการทำสิ่งต่างๆที่มันมีเส้นตายซึ่งบางครั้งก็ สำคัญแต่บางครั้งก็ไม่สําคัญก็ทําให้เรื่องที่ไม่มีเส้นตายเนี่ยถึงแม้จะสําคัญถูกเรื่องออกไปเรื่อยๆการให้เวลากับครอบครัวให้เวลากับลูกให้เวลากับตัวเองให้เวลากับพ่อแม่ให้เวลากับจิตใจใการปฏิบัติธรรมก็ถูกผัดพ่อเลืยไปแต่เมื่อเราลึกถึงความตายเมื่อไหร่เราจะรู้เร็วว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะเริ่มมีความสําคัญขึ้นมากลายปเป็นเรื่องที่เร่งด่วนการจัดระดับความสําคัญในชิตจะเริ่มเปลี่ยนไป เราจะขนขวายในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อนแต่ในเวลาเดือกันเราก็จะตระหนกักต่อไปว่ามันมีหลายอย่างในชีวิตที่เราชอบยึดติดทั้งทั้งที่มันไม่มีประโยชน์และ ท, ทั้งทั้งที่มันจะไปเป็นภาระกะจิจิตใจเมื่อใดที่เราลึกว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องตายเราควรจะตายอย่างสงบตายด้วยใจที่ปล่อยวางเราก็ตระหนักว่าชีวิตเรานั้นเนี่ยจะต้องเรียนรู้ ในการที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆนะครที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นปกติให้ความตาเนี่ยมันช่วยทําให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้เยอะทั้งสิ่งที่น่าพอใจและสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างเช่นหลายท่านเนี่ยที่ได้พิจารณาตามบทที่ได้มีการกล่าวมีการอ่านกันเมื่อกี้นี้บทพิจารณาตายก่อนตาย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 บางครั้งเราประสบความสูญเสียเราสูญเสียสิ่งต่างๆแล้วเราปลูกพันธุ์อะไรเสียใจเงินหายรถหายหรือว่าทรัพย์สมบัติถูกขโมยเวลาเราถึงความตายขึ้นมาเนี่ยถ้าเรานึกยังนึกให้เป็นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเรายังเศร้ายังเสียใจกับสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยแล้วถึงเวลาเราตายเนี่ย เราจะทำยังไงเพราะความตายเนี่ยมันคือการสูญเสียยิ่งกว่าเงินหนึ่งล้านยิ่งกว่าบ้าน10บล้านมันคือความสูญเสียทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงทั้งเงินแสนเงินล้านเรายังเสียดายเรายังตัดใจไม่ได้และถึงเวลาจะตายเราก็คงจะตัดใจไม่ได้เราก็คงจะทุรนทุรายให้การเราเรื่องของความตายเนี่ยมันช่วยทาให้เรา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 แต่ก็ยังเก็บเอามาคิดถ้าเป็นสิ่งที่น่าพอใจแล้วสูญหายไปแล้วก็เสียดายเศร้าอาลัยถ้าเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เกิดความโกรธแค้นคุณเคืองรู้สึกผิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันก็จะรบกวนจิตใจเราคนที่อยากจะตายอย่างสงบเนี่ยจะตระหนักเลยว่าไอ้ความอาลัยหรือความค้างคาใจ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 นะซึ่งสรุปก็อย่างที่อาตมาได้ว่าไว้คือเราจะเริ่มขนขวายทำในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อแล้วเราจะรู้จักปล่อยวางในสิ่งที่เราชอบยึดติด2 อ, อย่างที่สำคัญมากมันไม่สำคัญเฉพาะในการเตรียมเผชิญความตายเท่านั้นแต่ว่าสำคัญในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างโปร่งเบาเพราะนั่นเนี่ยการที่เราพิจารณาถึงความตายอยู่เสมอ ที่เรว่ามรณสติถึงสําคัญมากการพิจารณามรณสติคือพิจารณาว่าความตายจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนและความตายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นคืนนี้อาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นเดือนหน้ามีภา ษ, ษิตที่เบนยิงพูดไว้กระทบใจดีมากภาษิตนี้ก็บอกว่าระหว่างชาติหน้ากับพรุ่งนี้เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าอันไหนจะมาก่อนอาตมาก็ไม่รู้ หลายท่างก็คงไม่รู้ถ่าส่วนใหญ่คงไม่รู้หรือก็ทั้งหมดก็ได้คือเราไม่รู้เลย ว, ว่าระหว่างชาติหน้ากับพรุ่งนี้อันไหนจะมาก่อนชาติหน้าไม่ใช่ดูไกลนะมันอาจจะมาก่อนวันพรุ่งนี้ก็ได้ใหพิจารณาสติคือพิจารณาตรงนี้คือหนึ่งความตายต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนสองความตายเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อพิจารณาแล้วถามว่าจบแค่นี้ไหมยัยงไม่พอต้องถามต่อไปว่าแล้วเราพร้อมจะตายหรือเปล่า ถ้าความตายมาถึงเราคืนนี้เราพร้อมหรื อ, อยังเราได้ทำหน้าที่กับคนที่เราเกี่ยวข้องรับผิดชอบแล้วหรื อ, อยังเราได้ทำความดีคุ้มข้อ ก, การที่มาเกิดมามีชีวิตในโลกนี้หรื อ, อยังหรือว่าเราได้ฝึกจิตฝึกใจของเราในการที่จะปล่อยวางในการที่จ ะ, ะเผชิญกับทุกโคเวเทนนาแรงกล้าที่จะเกิดขึ้นความตายใกล้เข้ามาหรื อ, อยัง หรือว่าเราไปฝึกอย่างอื่นการพิจารณาขอรานักสติต้องมีคำถามตรงนี้ว่าเราพร้อมหรือยังเราทำหน้าที่ต่างๆที่สมควรทำได้เสร็จสิ้นหรือยังและเราได้พร้อมที่จฝึกจิตฝึกใจของเราหรือยัง ต, ตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาอยู่เสมอซึ่งจะช่วยทำให้เรามั่นทำความดีสร้างบุญสร้างกุศล แล้วก็มันใช้ชีวิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามการพิจารณามรณสติหรือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยไม่ใช่ทําให้เราเกิดจิตใจหดหู่เศร้าหมองอถ้าเราพิจารณาแล้วเกิดความหดหู่เศร้าหมองนี่แสดงว่าพิจารณาผิดแล้วมรณสตินนะพิจารณาต้องทําให้เกิดความกระตือรือร้น ที่ภาษาทางภาษาสสยวิยความไม่ประมาทเปิดความกระตือร้อนที่จะทำสิ่งต่างๆที่สมควรทำเช่นถ้าเป็นภิกษุในสายพุธการเนี่ยเมื่อท่านระลึกมรณสติได้เนี่ยทุกท่านก็จะพูดว่าเมื่อระลึกว่าความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยก็จะเร่งทำความเพียรจะระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์และจะปฏิบัติตามคาสอนของพระองค์ให้มาก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 ก็สามารถที่จะพบความสุขได้ในเวลาที่ตายมีพุทธภาษิตว่าบุญย่อมทำให้ประสบสุขเมื่อสิ้นชีวิตภาษิตสันส้นๆนี้เนี่ยมีความหมายเนีคือชี้เห็นเลยว่าในความตายนั้นเนี่ยก็สามารถให้ความสุขแก่เราได้โดยเพราะถ้าหากว่าเราได้ทำความดีอย่างคุ้มค่าอย่างเต็มที่กับการที่ได้เกิดมา ตรงนี้แหละนะถ้าเราเข้าใจนะว่าโอกาสต่างๆเนี่ยสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้จากการที่เราได้เข้าใจและปฏิบัติต่อความตายอย่างถูกต้องเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยจะดำเนินชีวิตไปด้วยความกระตือรือร้นแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จปล่อยวางอยู่เสมอสองอย่างนี้ไม่ได้ขัดแย้งกัน ทำสิ่งต่างๆด้วยความกระตือรุ่นด้วยความนขวายแต่ก็ปล่อยวางโดยเพราะถ้าเรามีการฝึกมรณะสะติอยู่เสมอโดยเพราะมรณะสะติที่เป็นการฝึกตายฝึกตายอย่างที่ได้ทำกันเมื่อกี้นี้ก็เป็นการฝึกแบบหนึ่งคือฝึกตายไม่ว่าเราจะทำมากแค่ไหนแต่เมื่อถึงเวลาที่เรานอนก็พร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จ ไม่ต้องกังวลถึงไม่เสร็จก็ตายอย่างสงบได้ถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะว่าเราไม่สามารถจะกําหนดเวลาตายของเราได้แน่นอนเมื่อหลังถึงความตายเราก็ต้องเร่งมือที่ทําให้เสร็จแต่เมื่อไม่เสร็จแล้วเราฝึกตายอยู่เสมอเราก็เรียนรู้ที่จะปล่อยวางแม้งานนั้นจะสําคัญแค่ไหนไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จแต่ถ้ามองในทางธรรมแล้วมันเสร็จทุกวันอยู่แล้ว มีคนมาถามมาบอกท่านอาจารพุทธาธว่าสวนโม ม, มีตึกหลายตึกไม่เห็นเสร็จสักทีเป็นปีๆแล้วตึกนั่นก็ไม่เสร็จตึกนี้ก็ไม่เสร็จท่านจาพุทธาบอกว่ามันเสร็จทุกวันอยู่แล้วเราเวลาเราทางานเนี่ยถ้าเราทำใจแบบนี้ว่ามันเสร็จทุกวันกลับไปบ้านเวลาล้มตัวลงนอนก็พร้อมที่จะปล่อยทุกอย่าง ถ้าจะมีชีวิต อ, อยู่ต่อไปวันลุ่งขึ้นก็ค่อยว่ากันใหม่แต่ถ้าหากว่าจะต้องจากไปในคืนนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจนั้นถ้าเราเล่าถึงความตายในแง่นี้นความตายช่วยทาให้ชีวิตปลอดโปรง่งมีกรอนบทหนึ่งของพระศาสนาโสพลท่านหนึ่งเนี่ยท่านได้แต่งเอาไว้พวกเราหลายคนจะเคยได้ยินที่บอกว่าเราเลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสาร บรรเทามืดโมหันอันตรการทำให้หานหายสะดุง้งไม่ยุ่งใจเราลึกถึงความตายสบายนักแล้วลึกถึ ง, งนวงตาต้องสบายนะถ้าเราลึกถึงความตายแล้วจิตใจหดหูนิแสงว่าไม่ถูกต้องมันทำให้เราสบายเพราะว่าทำให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมีหลายคนมีบางคนก็พูดเลยว่าเวลาทะเลาะ ก, กับเพื่อนเกิดความกลัวเกิดความไม่พอใจแต่พอนึกถึงความตายขึ้นมา ว่าวันนี้ตัวเองอาจจะตายก็ได้ให้ความโกรธความขุ่นเคืองใจเพื่อนนี่มันหายไปเลยนะหายไปเพราะว่าเห็นแล้วว่าความทุกข์ของเรานี่มันน้อยมากเมื่อเทียบกับความตายที่จะเกิดขึ้นคนเราเนี่ยโกรธสารพัดเรื่องรถติด ก, ก็โมโหเพื่อไม่มามาสายก็โมโหเราหุดหงิดไปกับเรื่องต่างๆมากมายจนกระทั่ง ผมแห้งผมแตกปลายก็ไม่มีความพอใจทุกข์แต่พอเรื่ึงความตายขึ้นมานะไอพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องจิ๊บจอยไปเลยป่อยวางไปได้เลยมันจะมันจะแตกปลายมันจะแห้งก็มันไม่สำคัญแล้วละ่ะเพราะความตายมันยิ่งใหญ่กว่านั่นก็คือเหตุผลหนึ่งนะก็คือว่าไอความทุกข์ที่เราประสบในชิตประจาวันมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยเมื่อเรื่งความตายเพราะความตายความทุกข์อย่างมหาาล เรื่องจังหวอยังไงนี่ก็ได้ว่าเออถ้าเรายังฝึกทำใจไม่ได้อย่างนี้แล้วเราเจอความตายเราจะทําใจได้อย่างไรบางคนก็ให้เหตุผลอย่างนี้ว่าพอเราถึงความตายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกวดเพื่อไม่ลงแล้วเพราะว่าในเมื่อเราจะต้องตายจากกัน แ, แล้วจะล้อ ก, กันไปทําไมอันนี้แหละที่เราว่าเราลึืถึงความตายสบายนะคือมันหักลักหักหลงในสงสาร ม, มันทําให้ความหลงต่างๆมันหมดไปเลยแล้วตมาคิดว่าในการที่เรา ถาหากว่าเราเห็นประโยชน์ของความตายในแง่นี้เนี่ยหรือประโยชน์ของการเราเรื่องงความตายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความตายจริงเนี่ยเขาเป็นครูเป็นครูที่ที่ดุที่เขี่ยวเข็นที่คอยเขี่ยวเข็นไม่ให้เราประมาทไม่ให้เราลหลางไหลมัวเมาในชีวิตเราต้องการครูแบบนี้นะฮะครูที่ดุครูที่เคี่ยวเข็นพราอในง้นเนี่ยเราจะหลงตกอยู่กับสิ่งเย้าวยวนต่างๆของโลก หลายคนก็คงจะกําลังมีปัญหากับลูกกับหลานว่าเดี๋ยวนี้เขาชีวิตเขานี่นะปล่อยหลงละเลงไปตามสิ่งแวดล้อมไปตามแรงดั่วยุบางทีคนที่หลงละเริงนี่ไม่ใช่แค่ลูกหลานนะบางทีก็เป็นเราด้วยเถังเราหลงละเริงคนละแบบเขาาจะหลงละเลงไปในความสนุกสนานแต่เราอาจจะหลงไปในเรื่องของการทํางานหรือว่าการ บิ่งไลล่าเส้นตายแต่ว่าถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นความประมาทอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมีครูครูที่ดุและความตายเนี่ยสามารถจะเป็นครูที่จะมาเขี่ยวเข็นให้เราเนี่ยไม่ประมาทได้และเมื่อเราเรถึงความตา ย, ยเสมอเนี่ยก็พยายามชี้ชื้นเราเนี่ยไปในทางที่เป็นการเตือนสติเตือนใจไม่ให้ประมาทอยู่เสมอการพิจารณาความตายเนี่ย หรือมรณาสะติเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำบ่อยๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยคราวหนึ่งพระองค์ได้ตัดถามพระภิกษุว่าพวกเธอเนี่ยจเจริญมรณาสะติกันอย่างไรรุ่นหนึ่งก็บอกว่าพระองค์คิดว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนเมื่อระลึกได้เช่นนี้ก็ระลึกถึงคาสอนของพระพุทธองค์แล้วก็ปฏิบัติตามคามสอนของพระองค์ ที่รูปนั้นก็บอกว่าข้าพระองค์คิดว่าพยายามเตือนว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจจะมีชีวิตอยู่เพียงแค่วันเดียวรูปแรกบอกหนึ่งวันกับหนึ่งคือรูปนที่สองบอกหนึ่งวันรุ่ที่สามบอกว่ า, าพระองค์พิจารณาว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ครึ่งวันเมื่อระลึกได้เช่นนั้นก็ตั้งใจปฏิบั ต, ติตามคําสองของพระองค์รู่ที่สี่บอกว่าข้าพระองค์คิดว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่ ชั่วเพียงแค่ฉันอาหารได้มือหนึ่งเท่านั้นเองก็อาจจะตายรูปที่ห้าบอกว่าอาจจะมีชีวิตได้เพียงแค่ฉันอาหารได้แค่ครึ่งมือเท่านั้นเองก็ตายรูปที่หบอกว่าอาจจะฉันอาหารเพียงแค่ได้สี่ห้าคำเท่านั้นเองก็ตายรูปที่เจดบอกว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจจะฉันอาหารได้แค่คําเดียวก็ตาย รูบอกว่าระลึกอยู่เสมอว่าอาจจะอยู่ได้เพียงแค่ช่วงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกตรงมีแปดรูปนะเพราะตรงตัดว่าหรูปแรกเนี่ยยังประมาทอยู่คือตั้งแต่ว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งวันครึ่งวันหนึ่งมือ้อครึ่งมื้อสีห้าคำนะยังประมาทอยู่นะที่ไม่ประมาทคือสองรูปหลังคือว่า เราลึกว่าอาจจะฉันอาหารได้แค่คําเดียวก็ตายหรือว่าอาจจะอยู่ได้เพียงแค่ลมหายใจเข้าออกก็ตายอันนี้ก็คือเป็นการย้าว่าการพิจารณาความตายนี่ต้องทําอยู่อยู่เสมออยู่บ่อยๆทุกลมหายใจเลยแต่แน่นอนพวกเราอาจจะทําไม่ได้อย่า ง, งานั้นแต่ว่าอย่างน้อยก็ทําทุกวันหรือว่าทําให้มันกลือเป็นกระชู้จัมบันเลยไม่ใช่แค่ก่อนนอนพื้นลดลงเรือ พิจารณาว่านี่อาจจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราอย่าไปคิดว่าคนที่ประสบเหตุนในเครื่องบินบอลทูโกนี่เป็นคนพิเศษนะที่ไม่ใช่เราคนเหล่านั้นก็อาจจะเคยคิดว่าเหตุการณ์สึนามิเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนบางคนแต่ไม่ใช่เราก็าจริงอยู่แต่ว่าอาจจะไปเจอเหตุการณ์อีกแบบหนึงก็คือเครื่องบินตกหรือเครื่องบินชนเวลาเดินทาง คือลดลงเหลือให้พิจารณาว่าเนี่ย จ, จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราพิจารณาเสร็รฐานต่อไปว่าแล้วถ้ามันเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเราเราจะทําใจอย่างไรอาจจะพิจารณาถึงขั้นว่าขณะที่เรารู้อีกล่วงหน้าว่าอีกไม่กี่นาทีเครื่องบจะตกเนี่ยเราจะทําใจอย่างไรจะตื่นเต้นตกใจไปกับคนรอบข้างที่หวีดเสียงร้องด้วยความตกใจหรือว่าเราจะ หาวิธีประคองสติเพื่อให้เราสามารถที่จะตายอย่างสงบในวันสุดท้ายโดยไม่ทุรนทุรายหรือเวลาเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์นะอ่านข่าวอุบัติเหตุแทนที่เราจะนึกว่าเออมันเป็นเรื่องของคนอื่นลองน้องเข้ามาใส่ตัวว่าสักวันนอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักหรือเกิดขึ้นกับเราก็ได้ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราพร้อมหรือ ย, ยัง เราจะทำใจอย่างไรเราจะวางใจไว้ที่ตรงไหนนี่คือการพิจารณาโมนาสติหรือเวลาไปเยี่ยมคนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลไปงานศพก็เป็นโอกาสที่เราจะพิจารณาว่าคนที่อยู่บนเตียงหรืออยู่ในหีบนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราแต่ต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเราพร้อมหรือ ย, อยังเราจะทำใจอย่างไร เราพิจารณาโมนัสติแม้กระทั่งของหายเงินหายเมื่อ เ, เงินหายเนี่ยเราเอาแต่ทุกข์เราจะเสียใจแต่เราลองคิดว่าอันนี้แหละคือสัญญาณเตือนเตือนอะไรเตือนเรื่องความพลาดพลา ด, ดสูญเสียเงินหายคือสัญญาณเตือนว่าชีวิตเราต้องเจอความพลัดพลา ด, ดสูญเสียมากกว่า น, นี้วันนี้เสียหายแค่หมื่นวันนี้เสียแค่ล้านแต่พรุ่งนี้จะเสียมากกว่า น, นั้น และไม่ใช่เสียแค่ทรัพย์แต่จะเสียคนที่เรารักนี่คือสัญญาณเตือนถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยอันนี้แหละคือเทวทูตแล้วละ่ะเป็นเทวทูตอย่างหนึ่งเทวทูตไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนแก่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเท่า น, นั้นเทวทูตจะหมายถึงทรัพย์สมบัติที่มันหลุดจากมือเราไปมันพลาดจากเราไปสิ่งเหล่านี้คือเทวทูตหรือสัญญาณเตือนว่าเราต้องสูญเสียมากกว่า น, นี้และที่สุดของความสูญเสียคือ ค, อความตาย เราทำใจได้หรือยังเวลาของหายหรือเรอื่องทําใจไม่ได้ถ้าเราทําใจไม่ได้แล้วเราจะทําใจเมื่อประสบความสูญเสียที่ยิ่งกว่า น, นั้นได้อย่างไรมองความสูญเสียเงินหายทรัพย์สมบัติเสื่อมเสียไปว่าเป็นบททดสอบเป็นทั้งสัญญาณเตือนถึงความพัดพรางสูญเสียอันเป็นธรรมดาของชีวิตและเป็นบททดสอบของเราพยายามหาอุบายที่จะเตือนใจให้เราลึกถึงความตายอยู่เสมอ มีนักเขียนคนหนึ่งนะก็อายุยังไม่มากสามสิบกว่าไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับพระทิเบต ร, รูปหนึ่งพระทิเบต ร, รูปนี้เนี่ยเวลาทุกคืนเนี่ยท่านจะไม่เหลือน้ำไว้ในแก้วเลยก็จะชันให้หมดแต่แล้วก็คว่มแก้วไว้เพราะว่าเวลาตายแล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นภาระใครนักเขียนท่านนี้ก็เลยได้ความคิดว่าทุกคืนเนี่ยจะต้องล้างจานให้เสร็จ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 ตายก่อนตายอยู่เสมอฝึกวิธีการดับไม่เหลือท่านจะบอกว่าเวลาคนเราจะตายเนี่ยต้องรู้จักท่านใช้ว่าตกกระดาพอกระโจนเวลากายมันจะแตกดับไปใจต้องรีบกระโจนนะกระโจนคือปล่อยวางให้หมดเลยไม่ยึดติดอะไรทั้งสิน้นไม่ยึดติดทรัพย์สมบัติไม่ยึดติดลูกหลานไม่คิดว่าจะไปเกิดในสวรรค์ไม่ยึดอะไรต่อไปอันนี้เรียกว่าดับไม่เหลือหรือว่าตายก่อนตายคือตายแบบ ลดละตายแบบให้ตายจากกิเลส ต, ตายจากความวิถีในตัวตนซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติซึ่งจะช่วยทําให้เราสามารถจ ะ, ะเผชิญกับความตายเมืม่อมาถึงจริงๆได้แล้วเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยความตายมันจะไม่ใช่วิกฤตแล้วนะความตายจะเป็นโอกาสจะเป็นนาทีทองจะเป็นโอกาสสําคัญที่เราจะได้ได้ใช้ทุกสิ่งที่เราได้ฝึกมาเพื่อการหลุดพ้น จากความทุกข์หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะได้พบกับความความสุขได้เมื่อสมัยที่หลวงปู่ดุลยังอยู่เนี่ยท่านไปเยี่ยมพระรูปหนึ่งทึ่งป่วยหนัก<ๆ>ก็จะเป็นลูกศิษย์ระที่อาพาธนะท่านเห็นหลวงปู่ดุลก็ก็ดีใจก็กราดท่านหลวงปู่ดุลก็ยิ้มยิ้มนะฮะแล้วก็พูดสั้นๆว่าให้การปฏิบัติของเราทั้งหมด ที่เรามาปฏิบัติมาเนี่ยก็เพื่อวันนี้เท่านั้นเนี่ยการปฏิบัติของเราทั้งหมดก็เพื่อมาใช้ในวันนี้เท่านั้นขอให้จิตเนี่ยเพ่งเป็นหนึ่งละวางทุกสิ่งให้จิตเป็นหนึ่งนะละวางทุกสิ่ ง, ง น, นันท่านก็แนะเท่านี้นแล้วคิดว่านี่แหละคือวิธีการที่ทำให้ความตายเนี่ยเป็นโอกาสในทางจิตวิญญาณได้อันนี้เรียกว่าอยู่เหนือ ความตายใช้ความตายเป็นพลังที่ผลักให้เราเนี่ยอยู่เหนือความตายเมื่อกี้ที่ผู้เจ้าเดนเน่ให้รู้จักใช้ความทุกข์เป็นแรงผลักดันให้เราสามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์ได้น่นอนมาคิดว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากจะมาแบ่งปันกับญาติโยมนะในเรื่องท่าทีต่อความตายก็คิดว่าพอสมควร นะแก่เวลาสำหรับการบรรยายในเบื้องตน้นหากมีคําถามก็ที่ว่ายังพอมีเวลาอยู่เรีเ ย, รยนเชนยัติธรรมกัลยาณมิตรนะครับใครมีคําถามเดี๋ยวผมจะยื่นไม้ไปให้นะครับถ้าอย่างขออนุาาญาตพระอาจารย์ถามเองจะเป็นการอุ่นเครื่องนะครับผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมคำถามอะไรเพราะอาจารย์กล่าวไว้ก็แคงจะแจ่มชัดดีแล้วนะครับแต่ถ้าถ้าสมมติไม่ผิดจะเคยได้ยินคำว่าคนเราเนี่ยทุกคนตายแน่นอนเหมือนกันหมดแต่มีความแตกต่างกันใน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 แม้ว่าจะตายด้วยโรคเดียวกันเป็นมะเร็งหรือจะเป็นมะเร็งสมองเจาะจงไปเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครที่ตายเหมือนกันเลยอันนี้หมอก็เขาพูดจากประสบการณ์ทางด้านของร่างกายทางกายภาพแต่ยิ่งถ้าเรามองเรื่องของจิตใจด้วยเนี่ยก็ยิ่งก็ยิ่งเห็นเลยว่ามันไม่มีทางเหมือนกันเลยเพราะว่านอกจากปัจจัยภายนอกที่ที่ต่างกันแล้วรวมทั้งโรคที่ต่างกันแล้ว รวมทั้งปฏิกิริยาทางกายที่ต่างกันแล้วสิ่งสำคัญก็คือจิตใจซึ่งโยงไปถึงเรื่องของกรรมอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ให้ความตายของแต่ละคนนี้จะมีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์ไปทุกคนเลยและกรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญมากโดยเพราะตัวสิ่งที่เป็นตัวกาหนดตัวกาหนดอันหนึ่งก็คือเรื่องของนิ ม, มิต ท, ที่เกิดขึ้น นะคือเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะในทางพุทธศาสนาก็จะมีการระลึกถึงกรรมหรือกรรมมอารมณ์คือการระลึกถึงกรรมต่างๆที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ในอดีตในชาติเนี่ยนะซึ่งมันก็ตรงกับที่ทางฝรั่งเนี่ยาได้ศึกษาพวกคนใกล้าตายเยขาจะพบว่ามันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไลฟ์รีวิวไลฟ์รีวิวก็คือถลับแปงเนี่ยคือการทบทวนชีวิตที่ผ่านมา แตมันเหมือนกับว่ า, วาความทรงจําต่างๆเกี่ยวกับอดีตไม่ว่าเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยไม่ว่าบวกหรือลบกุศลหรืออกุศลเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาและตัวเองเนี่ยเหมือนกับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอันนี้คือเกิดจากการที่เขาไปวิจัยมาเขาพบว่าจํานวนมากเนี่ยประมาณอย่างน้อยยีอร์ซที่เขาพบเนี่ยมีประสบการณ์นี่คือไลฟ์รีวิวนั้นมันก็ตรงที่พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ย ตำลานธรรมปุสสานคือว่ากรร ม, มาอารมณ์เนี่ยกรรมต่างๆที่มันได้ทำเนี่ยมันก็จะกลับมาให้เป็นอารมณ์ในจิตใจและขณะธ์อารเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่เรากำมันิมิตกรรมนิม้ไมก็คือนิมิตอาจจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือเห็นภาพได้ยินเสียงเกี่ยวกับบุคคลวัตถุสิ่งของที่สืบเนื่องกับการกระทํานั้นเช่นถ้าฆ่าสัตว์ ก็อาจะได้ยินเสียงไก่หรือเห็นเห็นวัวเห็นควายที่ตัวเวงฆ่าเนี่ยมาผววพระมาปกดอย่างในสมุทต ก, การก็มีคนหนึงเนี่ยแกเป็นพรานเมื่อจะตายเนี่ยก็จะเห็นหมาป่าคล้ายๆจะมักมังับมาไล่แต่นั้นเป็นคตินิมิตนะในตำราเขาบอกเป็นคตินิมิตคือภพภูมิที่จะไปเกิดภพภูมิที่จะไปเกิดนี่จะแสดงจะบ่งบอกเป็นสัญญาณในรูปของนิมิตที่เกี่ยวกับว่า จะไปเกิดในพบไหนเช่นจะเป็นเดรัจฉานจะเป็นเปรตจะเป็นนรกอะไรเงี้ยก็ยจะมีตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปทําให้คนใกล้าตายเนี่ยเขาเกิดความกระสับกระสายทุเรงทุลายเกิดความทุกข์ก็ได้หรืออาจจะเกิดความสุขเกิดความสงบเย็นเพราะว่ามีนิมิตในทางที่ดีถึงแม้เราจะไม่ได้มองตรงนี้เลยก็ตามเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ก็คือที่อาตมาได้ไปเยี่ยมมาแล้วพวกเราที่ไปเยี่ยมก็อาจจะพบว่าเขามีความค้างคาใจอะไรต่างๆนะความรู้สึกผิดความรู้สึกโกรธแค้นหรือว่าความอาลัยความผูกพันความห่วงทรัพย์สมบัติห่วงลูกห่วงหลานตรงนี้เป็นเรื่องของกรรมด้วยเหมือนกันเพราะว่าคุณไปทําอะไรใครเขาไว้หรือคุณถูกกระทําและคุณไม่อยอมรู้จักปล่อยทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมคุณไม่ได้มีเวลาจัดการเรื่องครอบครัวเรื่องลูกหลาน แสร็จแล้วคุณก็มาทุกข์เพราะว่าคุณมาห่วงหาอะไรก็ตอนนั้นพวกนี้ก็เป็นเรื่องกรรมซึ่งทําให้การตายงแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งในระหว่างตายแล้วก็จก น, นถึงตอนหมดลมทา่านยันขออนุญ า, าตถามต่อ น, นี้นะครับอาจารย์แล้วถ้าสมมุติญาตเราเนี่ยครับเขามีอาการเหมือนกับเป็นกรรมนิมิตเห็นพวกภาพหลอนอะไรต่างๆแล้วเราจะช่วยเขาได้ยังไงไหมครับอาจารย์เมื่อกี้ยกตัวอย่างในพรานที่เขาคิดถึง ที่ก็เห็นหมาป่าจะมาไล่กัดเขาเนี่ยเพลเนี่ยลูกชายของนายพรานนั้นเป็นพระแล้วท่านก็มีความรู้เรื่องนี้คืออันนี้เป็นความรู้ที่รู้กันโดยทั่วไปก็รู้ว่ากําลังจะไปในทางไม่ดีเกิดนิมิต ท, ที่ไม่ดีก็หาดอกไม้ให้พ่อเนี่ยให้โยมพ่อเนี่ยถือไว้บอกว่าจะไปบูชาพระพุทธเจ้าพอใจนึกว่ากําลัง ถือดอกไม้บูชาบูจาเนี่ยจิตก็เป็นกุศลพอจิตที่เป็นกุศลเนี่ยไอ้นิมิพวกนี้ก็หายไปคือนิมิมันเกิดขึ้นเมื่อจิตเราฟั่นเฟือนไม่มีสติแต่พอมีสิ่งเตือนใจให้เรานึกถึงสิ่งที่ดีงามจะเป็นพุทธานุสติสังขานุสติเทวานุสติธรรมานุสติก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นรูปธรรมจะดีกว่าคือพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์หรือเทวดาไปเลยก็ได้เจ้าแม่กวนอิมอะไรไปเลยก็ได้ แต่ไม่รูรวมจากตุคามรู้อ่างฟ้า น, นะเพราะว่าไม่ได้ถูกออกมาใช้เพื่อการนี้นส่วนใหญ่พูดถเรื่องเรื่องการค้าตอนนี้ตรงนี้เนี่ยใจก็เป็นกุศลเพราะจะเป็นกุศลเสร็จพอตายตอนนั้นพอดีเรียกว่าอสันกรรมเป็นอสัญกรรมที่ดีอสันกรรมคือกรรมจนเจียมกรรมใกล้ตายพูดง่าย ส, ส่วนใหญ่หมายถึงกรรมทางใจมนโนกรรมก็เลยไปสู่สุคติแทนที่จะไปสู่นรกภุมหรือไปสู่ทุกติและเราจะเห็นได้ว่ามีธรรมเนียมของคน สมัยก่อนเช่นในพระิศานี่เมื่อจะตายเนี่ยก็จะให้คนป่วยเนี่ยซึ่งไม่ค่อยรู้ตัวแล้วเนี่ยถือดอกไม้ทุกเทียนบอกว่าจะไปบูชาพระเกตแก้วจุลามณีเจดีย์บนสวรรค์เพราะมีความเชื่อว่ามีเจดีย์ที่บรรจุพระเกศของพระพุทธเจ้าอยู่บนสวรรค์เมื่อคนป่วยเนี่ยเขาได้รับการเตือนให้ระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าใจคู่ เ, เ็นกุศล หรือว่าบางทีก็มีธรรมเนียมให้พระเนี่ยมาบอกก่อนตายบอกอรหันก่อนตายแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องจำกัดเป็นพระก็ได้ญาติญาติก็ทำได้ ต, ตมาก็ได้พบหลายกรณีที่ญาติเนี่ยเช่นพี่น้องหรือว่าหลานหลานเนี่ยมาช่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมาส่งผู้ป่วยให้ไปอย่างสงบผู้ป่วยบางคนนี่เป็นโรคเรียกว่าพิษในตับเนี่ยซึ่ง แล้วเขไม่ยอมรักษาก็บอกว่าพอแล้วซึ่งหมอบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะต้องตายแบบเพอ้อทรมานหรือว่าไม่รู้สึกตัวไปเลยแต่ปรากฏว่าผู้ป่วยนี่รู้สึกตัวจนกระทั่งเกือบจะชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็มีครอบครัวมีเพื่อนๆมีหลานหลานเี่มาช่วยช่วยน้อมใจให้สงบด้วยการสวดมนต์สวดมนต์พันจบนะเป็นแบบจีน่ะ ก็ผู้ป่วยก็ไปอย่างสงบโดยที่ไม่ได้พืล้นทุลายหรือว่าเพอ้อคลั่งอะไรเลยอันนี้หมอก็แปลกใจก็เป็นตัวอย่างก็คือว่าการพยายามทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามน้อมสิ่งที่เป็นกุศลซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดีงามอาจจะเป็นสิ่งที่ดีงามนอกตัวก็คือพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์หรือสิ่งดีงามที่ตัวเองได้เคยทาก็คือบุญกุศลนั่นเอง บุญกุศลสําคัญเลยพอเราลุดถึงแล้วเนี่ยในะจเราปิติบุญกุศลเนี่ยจะหมายถึงการที่แม่เลี้ยงดูลูกมาอย่างดีจนทั้งเกิดความภาคภูมิใจก็ได้แล้วก็ใครกันก็แนะนําให้เขาปลดปลื้มสิ่งขังขาดใจอย่างเช่นเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยมีคนในหมู่บ้านอตัตมาเนี่ยแกป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งปอดหรือไงเนี่ยแล้วก็มาตายที่บ้าน วันสุดท้ายเนี่ยใครๆก็รู้ว่าแกคงไม่ไหวแล้วก็ลูกๆหลานๆก็กลับมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมแม่แต่ว่าลูกคนหนึ่งยังมาไม่ถึงผู้ป่วยนี่ก็อุตส่าห์พยุงกายขึ้นมาแล้วก็ถามหาลูกคนนั้นที่ยังมาไม่ถึงสามีเนี่ยซึ่งได้รับคําแนะนําจากทางพระตอนนั้นแต่มาไม่อยู่ก็มีลูกวัดนี่เขาแนะนําว่า เมื่อจะปลายต้องให้ปล่อยวางหมดเลยไม่ต้องอะไรไม่ต้องคิดถึงอะไรทั้งสิ้นสามีก็เลยบอกว่าอย่าไปห่วงลูกเลยขอให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแกก็ได้สติคืนมา <S <S ก็เลยเลิกถามถึงลูกแล้วแล้วก็นอนนอนไปสักพักก็หมดลมคือปลายแบบปลายแบบสงบเลยแหละทั้งทั้งที่เป็นมะเร็งนะแต่ว่า แกไม่ทุรนทุลายไม่เลยเลยนะคือไปอย่างเหมือนกับใบไม้ที่ร่วงหลน่นจากต้นสงบเป็นธรรมชาตนะิเพราะว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลไม่มีอะไรที่ต้องห่วงหาอะไรอันนี้ต้องอาศัยคนที่ช่วยแนะนําซึ่งสมัยนี้ก็ต้องเป็นคารวะหรือว่าญาติพี่น้องนั่นแหละดีที่สุดจะหวังพึ่งพระก็ ก, ก็คงไม่ทันการมรสการพระอาจารย์ครับพอดีเมื่อ เดืินมีนาได้ไปโอกาสไปเวียดนามนะครับแล้วก็ไปวัดอยู่วัดหนึ่งวัดสําคัญแล้วก็มีหลวงพ่ออยู่รูปนึงที่ท่านเผาตัวเองเพื่อประท้วงแล้วก็เห็นรูปว่าท่านโรยน้ํามันแล้วก็ท่นก็จุดในทางพุทธศาสนาเองในการฆ่าตัวตายอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นเป็นบาปคนนี้ในลักษณะที่ท่านทําแบบนี้เนี่ยการตายในรูปแบบอย่างนี้จะดูจากรูปเนี่ยท่านไม่ได้ทรมานอะไรท่านก็ เข้าใจว่ า, าจะเข้าสมบัติระดับนิโรธแล้วเราไม่ทราบ น, นะฮะแต่นิ่งมากแล้วก็เบิ่นตัวเองแล้วก็หัวใจเกาเต้นดุบดุบดูจากที่เขาถ่ายไปให้ดูนะครับก็เลยอยากจะขอความรู้ในเชิงจิตอะไรต่างๆจากพระอาจารย์ครับเรื่องนี้นี่ท่านติดด๊ดตักทานก็เคยอธิบายเมื่อตอนเกิดเหตุใหม่ๆพระลูกที่เผาตัวเองเนี่ยก็คือพระติกวงดุ๊กคือท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์นะศึกปีนี้จะอายุครบร้อยพอดี ท่านทำเช่นนั้นก็เพื่อที่จะเรียกร้องสันติภาพแล้วก็ต้องการประกาศให้โลกได้ตื่นตัวเกี่ยวกับความรุนแรงในเวียดนามแล้วก็ท่านก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรได้ยังไงก็เลยต้องการอาศัยร่างของท่านเนี่ยเป็นเครื่องแสดงถึงความยืนยันว่าต้องการเรียกร้องสันติภาพท่านตินธะอธิบายอย่างนี้ว่าธรรมเนียมของพระมหายาณเนี่ยเมื่อเวลาจะบวชเนี่ยจะต้องเอาทุบจี้ บางนิกายเนี่ยไม่ใช่อทูตจีเนเดียวเอาเหล็กร้อนเนี่ยน้าแขนมนิกายนิปปอนซันมิโฮจิในขณะที่กําลังอุปสมบทเพราะในขณะอุปสมบทเนี่ยก็จะกล่าวคำคือแค่เป็นคําปฏิญาณคนเราเวลากล่าวคําปฏิญาณว่าจะบวชจะบวช เ, เ, เพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงค์หรือบวชเพื่อการขัดกล่าวกิเลสหรือบวชเพื่ออุดมคติที่สูงสง่งเนี่ยบางทีเราพูดได้ปากปล่าเราพูดได้ แต่ขณะที่เรากําลังทุกข์กำลังร้อนกําลังเจ็บปวดแต่เราสามารถที่จะพูดถึงสิ่งนั้นเนี่ยปฏิญาถึงสิ่งนั้นเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยคือการบวชเนี่ยหรือพระผู้ประทับประสงค์หรือพระนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากคือปวดเท่าไหร่เจ็บเท่าไหร่ก็ยังยืนยันอันนี้คือทําเนียมของมหายานคือการพิสูจน์ตัวเองโดยอาศัยความเจ็บปวดเนี่ยมาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราได้เชื่อในเรื่องของอุดมกตินั้นจริงๆ ท่นานติณห์หก็อธิบายว่าเวลาเราพูดถึงสันติภาพเราพูดได้ในห้องแอร์เราพูดได้ในค่ะที่เราสบายสันติภาพเพื่อชอาวพม่าสันติภาพเพื่อขเขมรสันติภาพเพื่อเพื่อในสุดาในรบันดาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณทุกข์แล้วคุณยังพูดสันติภาพเนี่ยคุณยังพูด น, นึกถึงคนอื่นเนี่ยแสดง ว, ว่าคุณจริงใจกับสิ่งนั้นสิ่งที่คุณพูดจะมีน้ําหนักมากนะ ซึ่งตรงนี้คล้ายๆกับสตัตยขาขาองครันทีที่อดทหารพร้อมที่จะตายเพื่อที่จะยืนยันหรือเรียกร้องในบางสิ่งบางอย่างเช่นเรียกร้องให้คนฮินดูกับคนมุสลิมเลิกฆ่ากันไม่ใช่พูดในห้องแอร์อันนี้เนี่ยท่านติโกนทุกเนี่ยท่านก็ต้องการยืนยันว่าท่านพร้อมจะสละชีวิตเพื่อสันติภาพในเวียดนามแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะยืนยันตรงนี้ได้คือการใช้ไฟเนี่ย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 กระตายที่โดดเข้าไปในกองไฟเพื่อเป็นอาหารให้กับคนที่กําลังหิวโหวยหรือแม่เสือที่ยอมสละชีวิตเพื่อลูกเพื่อชีวิตอื่นในชาตโลกจะมีเรื่องแบบนี้เยอะคือการยอมสละชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นซึ่งในทางพุทศาสนาไม่ถือว่านี่คือการฆ่าตัวตายใช่ไหมในชาตโลกเราจะมีเรื่องแบบนี้เยอะนะครั้งนี้พอมาในภาคปฏิบัติเนี่ยท่านที่กนุท่านก็คงคิดแบบนี้แหละก็คือว่าท่านสละชีวิตเพื่อต้องการรักษาชีวิตของคนเวียดนามที่กําลังจะตายเพราะสงครามแต่ว่า วิธีการของท่านก็อาจจะเรียกว่าช็อกโลกซึ่งก็อาจจะเป็นความประสงค์ของท่านคือต้องการช็อกเพื่อให้คนเนี่ยหันมาตื่นตัวทีทีว่าเวียดนามกำลังจะลุกเป็นไฟนะซึ่งก็ได้ผลนะเพราะว่าตอนนั้นปี2อ0 6คนยังไม่ค่อยสนใจเรื่องเวียดนามเท่าไหร่ก็ได้ผลแต่ว่าก็ทําให้เกิดคำถามขึ้นมามากมายอันนี้ท่านติณธัก็อธิบายแบบนี้ พระอาจารย์ชั่วครัอยากจะให้เพื ons, ่อนเพื th ang th ang ่อนได้มีโอกาสรับทราบและก็ร่วมเป็นกําลังกับพระอาจารย์ในงานเครือข่ายพฤติกาและการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยค่ะคือตอนนี้เครือข่ายพุติกาเนี่ยทำสองเรื่องใหญ่อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของเรียกว่าฉลาดทำบุญฉลาดทําบุญก็คือทําบุญให้มันถูกต้องให้ทําบุญแล้วถูกต้องตามพุทธศาสนาคือเกิดทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเกิดทั้งประโยชน์ทางวัตถุที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกธาเกิดทั้งประโยชน์ทางจิตใจเรียกว่าสามประยิกธาหรือว่า ลดละตัวตนที่เราปรมัตทะมันต้องเรียกว่าจุยอินวันทำอย่างเดียวได้ทั้ง3าอย่างซึ่งจตก่ก็เป็นอย่างนั้นชาวบ้านสมัยก่อนนะชาวบ้านเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ได้ปลูกต้นไม้เพื่อให้มันมีผลไม้เพื่อมีร่มเงาอย่างเดียวชาวบ้านเวลาปลูกเขาจะอธิษฐานว่านกมาเกาะก็เป็นบุญคนมากินก็เป็นทานคือปลูกทีเดียวเนี่ยได้ทั้งต้นไม้ได้ทั้งบุญด้วยนะแล้วก็การทําช่นนั้นก็เป็นการลดละตัว ต, วตนคือว่า ไม่ได้ยึดว่าเป็นต้นไม้ของฉัน ท, ทําทีเดยได้3ามอย่างนี่คือฉลาดทําบุญ3รีอินวันใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเน้นเรื่องกา ร, รเผชิญกับตายอย่างสงบฉลาดทําบุญเป็นเรื่องการใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้ถูกต้องเกื้อกูลผู้อื่นและขณะเดีวยวกันเมื่อจะตายก็ตายอย่างฉลาดคือตายแบบสามารถที่จะประคองใจให้เผชิญให้ถึงความสงบได้หรือดียิ่งกว่านั้นคือได้บรรลุถึงความสว่างความสว่างคือเกิดปัญญา จนกระทั่งปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ไม่เหลือตัวตนให้ให้ยึดถือต่อไปดังนั้นโครงการประชุมกลางสงบเนี่ยที่เราทำการเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องการอบรมเรามีการอบรมทุกเดือนซึ่งตอนนี้พยาบาลสนใจมากโรงพยาบา ล, แ, ลแห่งสนใจมากเพราะโรงพยาบาลเนี่ยพยาบาลตอนนี้เนี่ยทั้งหมอด้วยเขาพบว่ามีปัญหาผู้ป่วยจํานวนมากซึ่งเรียกว่าอยู่ในภาะวะที่ว่า จะตายก็ไม่ตายแต่ก็ไม่หายเป็นผู้ป่วยแบบหมดหวังแล้วก็ไม่รู้จะช่วยเขายังไงกลายเป็นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยแล้วก็ของญาติมิตรการที่เมื่อเขารู้ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีวิธีการที่จะเผชิญความตายอย่างสงบได้เขาก็เอาไปใช้กับผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มีกิจกรรมแบบอาสาสมัครก็คือว่าอาสาสมัครเนี่ยรับอาสาสมัครเนี่ยไปช่วยเหลือไปเป็นอาสาสมัครผู้ป่วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยหนักรวมทั้งเด็กด้วยตอนนี้ก็ทําที่โรงพยาบาลจุฬาจากประสบการณ์เราพบ ว, ว่าผู้ป่วยจำนวนมากตอนนี้เนี่ยแม้เ็จะมีญาติแม้เขจะมีพ่อแม่เนี่ยแต่ว่าคนไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมที่จริงๆนี่คนไม่ค่อยมีเวลาให้กับการและกันเท่าไหร่อย่าว่าแต่คนป่วยเลยมีลูกเนี่ยยังไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเลยต้องให้ไปเข้า nursery ยิ่งคนป่วยเนี่ย อยู่โรงพยาบาลตอนนี้ไม่มีที่ไหนไม่มีบ้านไหนที่สามารถจะเลี้ยงดูรักษาผู้ป่วยได้ต้องเอาผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลส่วนคนที่เหลือก็ทําหน้าที่หาเงินเพื่อที่จะมาเป็นค่าพยาบาลแล้วผู้ป่วยเนี่ยหลายคนก็เหงาโดยเฉพาะถ้าเป็นคนจนก็ยิ่งแล้วใหญ่เราก็เลยรับอาสาสมัครคนที่มีน้ําใจที่อยากจะทําบุญนะนะไปไปเยี่ยม ไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากแค่ไปไปเป็นเพื่อนเขาแล้วก็เราพบว่าอาสาสมัครและคนเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยได้ได้ดีกว่าพยาบาลเพราะพยาบาลเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาแล้วพยาบาลก็สนใจแต่เรื่องร่างกายแต่ว่าอาสาสมัครเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องร่างกายเขาไม่รู้เรื่องโรคเขาก็เลยถามเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องความในใจเรื่องต่าง ก็พบว่าเกิดความผูกพันแล้วก็ช่วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยบางคนเขาก็ก็ไปอย่างสงบมากขึ้นบางคนเขาก็ยังไม่ทันตายเขาก็กลับไปบ้านก็มีการาช่วยเหลือเอื้อเฟือกันแล้วก็พบ ว, ว่าอาสาสมัครก็สึกว่ามีความสุขมากขึ้นที่ได้ทําประโยชน์หลายคนหลายอย่างตอนนี้เราก็ทำมาได้2รุ่นแล้วอาสาสมัครรุ่นละสามเดือนก็พบ ว, ว่าคนสนใจเยอะนะฮะคือว่าคนสมัครมากกว่าจำนวนที่เราต้องการ ก็เรากาลังคิดว่าต่อไปก็จะต้องขยายไปโรงพยาบาลอื่นด้วยแต่อันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของโรงพยาบาลเพราะว่าบางทีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลก็จะคิดว่ามีอาสาสมัครมาก็ทําให้เพิ่มงานของโรงพยาบาลเหมือนกับตอนที่เราไปทําอาสาสมัครไปเยี่ยมเป็นนวดเด็กเด็กที่บ้านปักเกรด็ดเดี๋ยวผู้นี้เนี่ยถูกทิ้งนะแล้วก็พอมาอยู่บ้านปักเกร็ดก็ได้แต่นอนมีไม่มากพอที่จะดูแลเพราะเด็กเราเนี่ยไม่เคยได้รับการอุ้มนอนอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ร่างกายกายภาพเนี่ยแย่บางทีสองขวบแรงเดินไม่ได้เลยเพราะว่านอนอย่างเดียวเนี่ยพอมีอาสาสมัครมาอาสาสมัครมาช่วยอุ้มมาช่วยนวดก็ดีขึ้นแต่ว่าเราก็รู้ว่ารอดรู้ดีว่ามันก็ไปเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่เหมือนกันแต่ถ้าเขาเข้าใจนะมันจะช่วยทําให้งานของง่ายขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ก็ตอนนี้ก็ทําได้เป็นปีที่สาแล้วนวดเด็กเนี่ยแต่ว่าเรื่องของเป็อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยนี่ก็เพิ่งเริ่ม เราก็มีเว็บไซต์นะฮะถ้าท่านสนใจก็เปิดดูได้ budnet.info budnet b เ e นี่ยนะแล้วก็ info